ในพระมหาบุรุคุณของพระองค์นั้นให้จงได้ตอนนี้ไปโปรดได้รับพรไทยทั้งหลายทุกท่านวันนี้เป็นวันธรรมโุวระจาตุกัสโซแลนที่สี่ข้ามเหงาเป็นวันพุทธบริษัททั้งหลายจะทราบความหมายของชีวิตอย่างยิ่งทุกสิ่งได้มาพร้อมกันานะธรรมภาคฉ า, าลาถุรรมภาวนานุวันนี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 แต่ขายปัญหาให้หมดทุกถึงบรมประสบคือพระนิพพานโดยทั่วกันณนบัตนี้วันนี้เป็นมิ่งขวัญมงคลทุงแทนอีกวันหนึ่ง่นการตองมาฟังธรรมขแวะหาพระในวันพระระสองศ์องค์เจ้าท่านบวชพรนาแล้วแต่ท่านจะพบพระหรือไม่ล้วไป่ทราบางองค์ท่านไม่พบพระบางองค์ท่านก็พบพระจิตใจท่านประเสริฐล้เลิศทุกปรการ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 มาเล่ากันมาโปรดฟังข่าวมูลสมัยบริบูรณ์ด้วยจองผลปอชุ่ขลามพ้าพิบูลชุ่มขลามทำสวนครัวไม่ครัวอดผักความยากจะไม่เกิดอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีใครในึกถึงจองผลปอพี่บูลชุ่มขลามแต่ประการใดจะได้ย้ายเมืองหลวงไปสู่พุทธเพชรบูรณที่เอาคนไปตายสิียงบุรีไปตายเป็นจำนวนมากไปขุดถนนเราได้ได้ เลี้ยงถามว่า่ทนจอมพลแต่ไม่เาคนไปตายสิงบุรีเป็นไม้กันเยอะเป็นไม้เยอะหัวตายหมดไปขุดถนนเพชรบดานเพชรบูรณ์ตายจอมพลปอพูดมาคำจดจำมาจนบักคุณหนวจะย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์ถ้ามาย้ายไปในานาครรถจะติดรถจะแน่นต้องย้ายเมืองหลวงออกจากเมืองท่า เราอยู่เพชรบูรณ์มีภูเขาล้อมรอบเมืองกระแพงเพชรเมืองตากเป็นหน้าดา่านตะคอนสีทยากับลบบุรีจากเจริญถึงสระบุรีตลอดกระทั่งกลุ่มสีโยธยาเราจะทำจดและกระจจามาจมัดเราต้องถอยหลังไปหาหลวงพี่บูร์ทำสวนทัวไม่กลัวอดพับคันลัวก็กินได้เดี๋ยวนี้กินไม่ได้คันรั้วโศกกระโก คันรั้วคือผักตำลึงอยู่ที่คันรั้วกินได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้กินไม่ลงกินไม่ได้แม่บา้าหรือแม่สีเหลืองเอยลูกสาวก็ทำครัวไม่เป็นไม่รู้จากคันรั้วไม่รู้ขอบขันพระสติมาขอฝากท่านคิดในวันนี้อัดทีวีเวลาจะออกขึ้นไปหมายอัดไปแล้วตั้งแต่เช้าแล้วคนมาก็แน่นมาทัวบุญมาถูมาถา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 ไม่ได้เลี่ยงเพราะเปลี่ยนเวลาพูดไม่รู้เรื่องเพราะไม่เข้าใจเป็นเหตุผลที่นาที่ได้เวลาของท่านจะเกิดมาในสากคโลกนี้อย่างแน่นอนขอฝากท่านไว้ไปคิดตีความหมายเข้าใจบางคนพูดมาวันก็ไม่รู้เรื่องไม่ใชู่้เรื่องในทุกคนท่านทานั้งหลายสถาบันต่างๆทั้งโรงเรียนอนุบาลทั้งโรงเรียนมยัธยมวิทยาลายัยและมหาวิทยาลัยถาบานบริษัทสถาบันธนาคาร มีทั้งดีทั้งถ่กไม่ใช่ดีทุกคนแต่เราก็ไม่สามารถจะทำให้สถาบันเหล่านั้นเขาเหลานั้นดีได้ทุกคนเป็นที่น่าเสียดายเวลาของคนประเภทน้ดีไม่ได้แน่อขอฝากท่านสาธุชนด้วยเดอนทั้งหลายมาเนี่ยประสงค์ความดีทั้งนั้นแต่ดีแค่ไหนดูธาล็ดูผ้าปฏิบัติคุณท่านถ้าจะเล่นเรื่องอะไรจะเล่นเรื่องสังทองหรือลัคนาวง์องค์ปูทองนี่จะเล่นเรื่องลามเกียน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 เชิญทานข้าวสารของในหลวง5าทัานวามหาล่าพราจะทานมา20ประสอบถามท่านคำนักปัญชวังดูํานักปัญชวังมานัา่งกรรมฐ า, านอยู่แปลงตัวมานัา่งกรรมฐ า, านผู้ช่วยเลขาธิการแลว้วก็ญาติของท่านในผลเอกใน้ลเอกผลเอกสมุองค์คณะ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 อาชียนอนนอนฟังตีสีรัางกาเอาหมอนมานอนฝังแต่ปัญหาของอาชีพร่งกามันไม่พูดไม่พูดเลยนะแต่คนไทยเราแมเพียบเพียบสีโอแท่ดีเหลือเกินพอคูณพะทุนหัวแท่ดีมากปากมุมมิดมุมม็ดคุยกันคุยกันแม้แท่ดีพอหลวงพ่อวัวนแท่ดีมากเอ้าวังก็มีด้วยประกาชนีเป็นนายโยมเสึ่งใจเพิ่งเ่งวันเนี้ย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 หลับมุดมางูมานีา่จะรู้เรื่องอไรฮะตรงนี้จุดลุ่มจุดแหว่งจุดจะแทงตั้งพูดอย่างนี้มีใครรู้เอียงช้าเอียงขวาก็ไม่รู้กลงไปกลงมาก็ไม่เข้าใจขอฝากท่านทั้งหลายผู้มีปัญญาไวิจุตและโอกาสมีปัญญาอะไรกันบ้างคนเราเนี่ยแตกแยกกันไปโดยกฎแห่งกรรมอย่าการจะทํานี่ยก็ขอเจริญพรพี่น้องเราชาวสูงเวลุวันทุกท่าน ณคอนแก่นและภาคอีสานตั้งแต่นคร พ, พนมขึ้นมาสะกนครน้องคายและแม่น้ำโขงและประเทศลาวโปรดฟังณบันนี้ทีวีจะออกอากาศขึ้นมาในวนที่สถานีแวดที่อัดล้ว่อออกที่คอนแก่นขอพี่น้องเราชาวภาคอีสานทุกท่านที่ตามาพระราสุดยันยิ่งน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 โอกาสเงินทองมาช่วยเดี๋ยวเดียวช่วยหก0มืเอาไปเรียนหนังสือนี่โปรกมาครูบาจาช่วยเหลือตลอดรายการนีขอฝากพี่น้องชาวพนกขนและพี่สามด้วยมันมีความหมายอย่างนี้ที่เราดี้าด้วยความสุดจุ๊บตะการู้ต่อสถานที่ที่เราได้ของดีมาคู่ตอนนี้ออกไตเติ้ลให้ท่านฟังพี่น้องชาวพนกขน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 ทางสาแรกต้องการจะไปราสค้าบุตรกังพ่อเดิมวัดน้องโภพระภูวิราชวาดนำมาขานนิพพานธรรมคุตินิพัาศรีระคุณวัดนองโภท่านมีอายุเก้าสิบกว่าแล้วจูงวันจัดขึ้พอร้อไปอยู่กับท่านหกเดือนท่านมรณะภาพกลับองค์นี้ไปอยู่กับลงพ่อเดิมมาไปอยู่กับลงพ่อจงวัดต่างก่อนไปศึกษานมันมนหนึ่งเดือนวัดต่างนอก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 ทำสวนไหมสวนมั่งม่วงทำสวนผู้เรียนไหมกลับมาฟื้นฟูขึ้นมารับรองไปรอดแน่นอนพี่น้องชาวไทยงหลาโปรพิจารณาเรื่องนี้เป็นหลักสำคัญนี่ายกันหมดเลยข้า ว, วารากรัพไปอัดไปหมดเลยแก้าเห็น ไ, ไหมนี่บางอาจารย์นี่พ่อแม่ขายนาแหลกรานส่งลูกเรียนประยินทาจบปริญญาโทจุฬานาหมดไปห้าแปลงซื้อรบอมอีกนี่บางอาจารย์ ชัดเจนมากอาตมาไปเยี่ยมมานอนเป็นอามภภาพไทยอุจาระเหมนลูกสาวขับรถบีเอมมามีมาห้าสาวสีสาวเกินมาบอกนูเป็นไทยนู้เป็นลกูกทบนี้แล้วซักห้าแม่หน่อยแม่อุจจาระเต็มนูซักไม่ได้จะรีบไปเผาศพอยุธยาศพนั้นเป็นอะไรก็เธอเป็นญาติของเพื่อนมาล่มประเทศไทยเป็โลกลรเราตาึ่ดเลย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 ที่น้องไทยไม่ได้เคยช่วยแต่จะช่วยพ่อแม่ก็มาหนีทางนะขอฝากเหมือนชาติชาติว่านริงแล้วพุทธเจ้าสอนชัดเจนมากสงช่วยตัวเองอย่างนี้นี่หล้วท่านทั้งหลายอาตมาก็เรียนยวิชาคุณชาติารได้เราเรียนกับหลวงพ่อจงมาจาัฒจางพระนทรศรีอยุธยาน้มานำมันมนธรรมทุกวันนี้มีหลาย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 ขอให้พี่น้องทั้งหลายนั่งเจริญกับประานให้น้าด้วยเครื่องแต่งตัวเครื่องแต่งตัวในน้ำอย่าแต่งตัวไปเยเพิ่งเยะมะแต่งตัวไปเยเพิ่งเยมาลุ่มรามกันนะแต่งตัวลุ่มรามอย่างนี้ใช้ไดแ้แต่ไม่หมายความว่าคนที่น่งคนที่นั่งแต่งตัวสวยรูให้ไม่ลุ่มลามแต่งตัวให้มันเข้ากับรับานที่หน่อยใ ไ, ไหมีม่วั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 มีจากคนมาร่วมบุญรถติดกันมากมายขอเจริญพรให้พี่น้องได้ทราบตามที่กล่าวแล้วนั้นกนขอขอจะอ่านโครงการกองกำกับการโร ง, งเรียนตำรวจภูทรสิง์ถนนมิสภาพตำบนในเมืองอำเภอเมืองตัวกุ้งแก่พี่น้องได้รับทราบครั้งหนึ่งแต่มาซึ่งใจมากที่ตำรวจเป็นจนวนพัน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 ขอขอเจริญพรพี่น้องข้าราชการตำรวจทหารหารของชาติตํารวจที่ประกอบปเรยเมตตามีความรู้ความดีต่อประชาชนให้ซึ่งใจของประชาชนต่อไปต่อไปในโอกาสนี้ขอได้ว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายไม่ช่น้อยอ่ตมาก็ขอฝากพี่น้องชาวขุนแก่นด้วยไตยเต้ลที่ขึ้นปีใหมให่เศรษฐกิจมาตกวันนี้ขอขอเจริญพรต่อไปนะ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 ขอให้พี่น้องชาวทายทุกท่านทุกรูปทุกนามหาปรัชนาสารพัดในปัจจุบัเอาไมตจีแยกได้อย่างใจจงขอให้ทุกท่านจงเจริญรุ่งเรืองวัฒนสถาพเรเอริดไปเถิดที่ถุกนี่ใจเจิ้นออกบอกแคบออกแครบอกให้ท่านฟังมีความหมายอย่างนี้มีความหมายแต่หากว่าการเจริญกุศลถือภาวนาก็ตามการที่ท่านทั้งหลายมาครั้งนี้นั้น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 เมือเราเนี่ยทา่านมาเจอกันครั้งเดียวจะจาไม่ได้มาอีกจาไม่ได้ตอนนี้นุ่งขาวมาวันหน้านุ่งสีแดงมาสีากีมาจาไม่ได้ทำมาสัก5าครั้งเคยตราสายการสัมภาษณ์ถึงกาลยกาจะจาได้หมดมเห็นข้างหลังก็จาได้มาหัวเดียวเห็นข้างหน้าทีเดียวแล้วมาอีกก็ไม่จำไม่ได้จำไม่ได้<ม>เนี่ยดูง่าย ถ้ามากันเชิงห้าครั้งแล้วได้พูดใหญ่จากันคุ้นเคยกันจะจําแม่นถึงหากว่ามามืดค่ำได้ยินเสียงก็ยังจำได้ถ้าละเอียดกว่านี้ไม่ต้องได้ยินเสียงแค่เดินได้ยินเสียงเดินกุกกมายังจำได้คือขัดเหมือนอย่างหญ ย, อ, ยงอองอยายละอองตาบอดอยู่ที่โรงครัวนี้ตาบอดอาตามาไปหาแกบอกยออองปดีเถอะมีอะไรมาไปขนเถี่ย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 กลินมันมาเสื้อแดงนี่มีกลิ่นรู้เลยว่านี่เสื้อแดงแบงค์เนี่ยแบงค์ห้าร้อยแบงค์ยี่สิบจะอ้อนจับจับหลวงพ่อนี่ห้ารอยแล้วเก้ด้วยเก้ด้วยนี่หลวงพ่อไปเปลี่ยนเนะี่เก้นี่คนตาบอดนะคนสังเกตคือกรรมฐานพวกนางกรรมฐานส่งเกตกป็นเปล่าไม่ช่างเกตไม่ใช่วิชากรรมฐาน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 เอาไว้ผมไว้ผมแคประบาเลยแต่งตัวไปยิ่งโก่เลยเนี่ยเครื่องแตงตัวไม่สวยไม่งานแถมอวัยวะไม่งามอีกไว้ผมยาวเราก็นึกว่าเป็นผู้หญิงนี่มันถูกหลักลักษณะม่ไดนี่เหตุผลที่หนาฟังนะนี่เสียายเสียใจด้วยสอนแบนี้ไม่มีงานทำพ่อแม่แก่แล้วก็ต้องแซงให้คนอื่นไปนี่ตรงนี้ตก